อย่างสมมติว่าตั้งแต่เช้ามาเนี่ยได้ ต, ตื่นนอนมาถึงนาะวินาทีนี้หรือนาทีนี้เนี่ยถ้าเราดำดับเหตุการณ์ต่างๆจริงๆที่เกิดขึ้นแต่และขณะขณะขณะ น, นียเราเ ล, ลืกได้สักกี่ชั่วโมงที่เห็นชัดๆเนี่ยเห็นโดยชัดๆในชั่วโมงที่เท่าไหร่ก็ยังยากละถ้าถามเป็นช่วง ช่วงเช้าช่วงสายช่วงบ่ายช่วงเย็นเอออย่างนี้พอประมวลนึกภาพออกแต่เพราะว่าชั่วโมงตั้งแต่ตีห้ามาถึงห้ามงเย็นเนี่ยในแต่ละชั่วโมงเนี่ยระลึกได้ไหมว่าอะไรเกิดขึ้นแก่ตัวเองในแต่ละขณะขณะอยากไหมอถ้าว่าเป็นช่วงเนี่ยพอจะนึกออกใช่ไหมแต่ถ้าช่วงเป็นชั่วโมงเนี่ยชัด เรียบเรียงยากและออกใช่ไหมอ่อออกเดี๋ยวจะให้เล่าให้ฟังว่าชั่วโมงไหนรู้สึกอย่างไรบ้างเนี่ยวันนี้เราจะฟังจากยมสมพรก่อน <c oughs> ว่ายงสมพรไปนั่งอย่างเนี้ยว่าการเห็นสภาวะสมมุติว่าตั้งแต่เราเข้าใจมาแล้วปัจจุบันเนี่ยมาอย่างเนี้ย หมายควาว่าตั้งแต่ที่เราปฏิบัติจนมาถึงนะเมื่อวานเนี่ยมันจบไปะละซึ่งเราอาจจะไม่ต้องนึกถึงนะแต่ลำดับตั้งแต่เช้ามาถึงตอนนี้ที่เราสามารถเห็นได้สภาวะชัดๆคืออะไรบ้างเนี่ยเนี่ยนี่จะเป็นใกล้ปัจจุบันเข้ามาหน่อยถ้าย้อนหลังไปไกลๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของอดีตที่เก่าแก่แล้วว่าถึงแม้ว่าจะปีไม่กี่ปีมาก็ถือว่าเก่าแก่และถ้าเป็นประสบการณ์นะแต่ถ้าหากว่าเราระลึกได้นะแต่ ในช่วงสามวันห้าวันวันนี้ก็ถือว่ายังใหม่อยู่ถ้าวันนี้เหตุการณ์วันนี้ที่เราระลึกได้มีอะไรบ้างมันก็ยังสดๆร้อนๆ อ, อยู่นะมันก็จะสื่อความหมายกันได้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการฝึกในการระลึกถึงสภาวะที่มีอยู่ถึงแม้ว่าเป็นผ่านไปแล้วก็ถือว่าเป็นอดีตังสยานก็ได้ะนั้นเองก็ในช่วงเย็นวันนี้ให้ยมสุพรมาเล่าตรงนี้ให้ฟัง นะเพื่อที่จะได้เปลี่ยนประสบการณ์กันแต่ว่าเราคนเราคนเราค น, เราคนไปในช่วงเย็นนะในช่วงเช้าหลวงพ่อเขาจะพูดหลักการให้ฟังว่ามันสัมพันธ์กับระหว่างตัวสภาวะกับตัวสมมุติที่เราใช้กันเยอะเราสื่อกันว่าอย่างไรแล้วเราจะเอาไปทำเนี่ยอย่างไรถึงจะถูกนะก็จะไปเรียบเรียงในส่วนนั้นเมื <c> ่อ <oughs> นำมาเสนอหลัก <c oughs> การไปอย่างเนี้ยบอกไปอย่างเนี้ยวิธีเนี้ยเดินอย่างเนี้ยรู้สึกเนี้ยมันเป็นอย่างเงี้เราก็ลองไปทําดูทีนี้พอทําออกมาแล้วเนี่ยเราก็มาเล่าสู่กันฟังว่าเออมันใช่อย่างที่เราฟังจากอนุมาพูดให้ฟังไหมอันนี้คือความหมายที่เราเราประสบการณ์ให้กันฟังนะทั้งนี้เพื่อที่จะให้ผู้ใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์จากเพื่อนที่ปฏิบัติเออเราเรารู้เถอะ อาจจะแสลงไปหน่อยแต่ก็ยังดียังยังทำครัวได้อยู่ขนาดมาที่นี่นะถ้าได้ทำครัวก็ยังว่ามันได้อีกนะยังไม่มีอันบิตกเลยนะเรื่องเรื่องตรงนี้พูดจริงๆก็ตัวสติตัวนี้แหละที่เราฝึกนี่แหละที่มันพาให้เราเข้มแข็งเมื่อก่อนนี่เป็นคนขี้แยมากขี้แยนี่เป็นคนอ่อนแอใช่ไหมอันเดียวกันมันบอกเมื่อก่อนนี่เป็นคนขี้แยและอ่อนแอมาก แต่ความเข้าใจตัวนี้แล้วมีคุณธรรมให้ความรู้สึกตัวตัวนี้เนี่ยพาให้มันใหญ่พาทําได้แล้วก็พามันเข้าใจไอ้ตรงนี้ทําได้ทุกอย่างได้สิ่งที่เราเคยไม่เคยทํานะแต่มันทําได้เลย mm hmm. ก็ขอมั่นใจว่าใครมาพบสายหลวงพ่อเทียนแล้วลายเฝ้าทอยา่าเฝ้าถิ่งเลอเอือยไงช่ว ย, ย, ย, ยดีแท้ๆนนี้เป็นยาวิเศษแล้วก็เป็นหนทางด่วนเร็วชัดเจน ต้องฝึกให้ได้แท้ๆถ้าว่าได้ตัวนี้แล้วไปคุ้มครองเขาชีวิตของเขาจะมั่นคงแล้วก็ถาวนได้หลุดพ้นจากกองทุกได้เนาะจะลำดับแค่นี้แหละเพราะว่าพูดเรื่องอาการนี้แค่นั้น น, นี่ก็เรียกว่าเล่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นไปจำวันเราก็ไม่โยงไปไกลเมื่อเห็นภาพพอเห็นภาพภาพวันนี้การฝึก การลำดับเหตุการณ์ถูกต้องไหมแต่ว่าดูแล้วเนี่ยในช่วงจากฉันเช้ามาถึงเพลเนี่ยช่วงนั้นมันหายไปเราได้ใช่ช่วงเช้าแต่ช่วงเย็นแต่ช่วงบ่ายก็มีนิดนึงเรื่องง่วงนะแต่ ว, วิธีการสื่อยู u นี่ยพรีสเด็ดดี้อ๋ you feel drowsy I think you drowsy <laughs> Share our experience. What the whole day? What you are doing? What you're feeling? What you're thinking? We share experience like that. After we practice like this, we need to uh, uh, read our body. Uh, what happened in your body? How uh, heavy? How light? How feel happy, unhappy? And try to read every. Uh, pass every minute, every hour to each other. We don't uh, let other practitioners to ignore ourselves. Try to read ourselves all the time. Uh, when you read from the head, from top of the head to the toe, the bottom, read again and again, many many rounds, uh, some minutes, some many rounds an hour. และที่ like a, you scan, a c a แคดเอกซ์เรย์ yourself ต the time so when you try to do that it we don't have chance to think of something outside that's what we call awareness okay of oh, mindfulness we talk about that เพรานั้นเราจะเห็นว่าการจเจริญสติแบบเนี้ยมันเป็นวิยทยาศาสตร์มากๆเลยนะแล้วก็ถ้าเรา อ่านแล้วตัวเองออกบอกตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็นเห็นตัวเองชัดอย่างนี้มันก็ฝึกตัวเองเราจะให้ตัวเองเป็นแบบไหนเ่ยเราจะให้ตัวเองดีจะให้ตัวเองสุขเราจะเองสงบและให้ตัวเองงดงามให้ตัวเองเรียบร้อยอะไรเนี่ยมันค่อยฝึกไปได้เรื่อยๆเพราะนั้นตรงนี้ฉันใช้คําว่าอริยะอริยสัตว์มีความจริงที่ทําให้คนประเสริฐขึ้นเรื่อยๆ แต่ถ้าหากว่าเราไม่มาสัมผัสวิธีการเนี่ยเราเคยทุกแบบไหนก็ทุกแบบนั้นเราเคยนิสัยแบบไหนก็เป็นแบบนั้นไม่เคยเปลี่ยนเราเคยเป็นขี้เกียจกัขี้เกียจอยู่แบบนั้นไม่เคยเปลี่ยนอันเนี้ยมันก็ทําให้เราไม่สามารถจะฝึกตัวเองได้ดังนั้นเองในวิปัสสนาเราจะต้องมาเกี่ยวข้ อ, ของกับการฝึกฝนตัวเองนั่นใช่คำว่าการศึกษาสี่ได้สีส่ขาก็ มาศึกษาความเป็นปกติของกายของวาจารของเร า, ามันเป็นยังไงปกติมันเป็นยังไงผิดปกติเป็นยังไงนะตั้งแต่วันเข้าใจเรื่องนี้มาฝึกมาเรื่อยๆเนี่ยมาไม่ค่อยเจ็บป่วยอะไรไม่ค่อยมีอุบัติเหตุอะไรรุนแรงเพราะว่าเราคอยประคับประคองธาตุขันของเราให้ไม่เหมาะสมถ้าไม่จําเป็นเราก็ไม่ออกกําลังหรือไม่ให้ใครมาแตะมายุ่งกับตัวเราโดยที่เรา เราไม่รู้เพราะเราต้องรู้ตัวเองว่ามันจะเป็นอย่างไรถึงแม้ว่าเขาจะหวังดีก็ตามแต่ว่าเราต้องรู้ประมาณนะแต่ว่าเราจ ะ, ะานะต้องแก้ไขตัวเองได้แหละนะวิธีใดก็ตามคือส่วนหนึ่งจะต้องทําให้เข้มแข็งไว้เสมออย่างตะมาณนโครงสร้างเพราะได้ทํางานมาแต่เล็กแต่น้อยแล้วก็ทํางานหนักมาเรื่อยๆโครงสร้างทางร่างกายก็จะเข้มแข็งมีภูมิ้านทาน นี่ถ้าพวกเราไม่ค่อยทํางานหนักเนี่ยโครงสร้างร่างกายก็แอ่นอ่อนแอแล้วมนกระทบกระแทกอะไรนี่หน่อยมันก็จะคาดจะเคลื่อนจะฉีกจะแตกจะหักอะไรต่างๆแต่ก็ถ้าเราทํามาอย่างต่อเนื่องอย่ามาช่วงปลายแทนที่จะมาจะสบายแต่มันมก็ทําให้มันหนักขึ้นไปอีกเพื่อเพื่อให้ร่างกายของเราเกิดภูมิต้านทานโยคะแบบไหนทําแล้วสบายมันมก็จะทิ้งไปโยคะแบบไหนทำแล้วรู้สึกมันหนักมันยากก็จะทํา นะเพื่อให้ฝึกให้ร่างกายเนี่ยมีภูมิเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆดูว่าเราจะต้องลองดูว่าร่างกายของเราเนี่ยมันสามารถรักษาได้นานที่สุดเท่าไหร่ตามความสามารถนี่นะเออคืออยากพิสูจน์มันนะอยากพิสูจน์มือนว่าอายุของมนุษย์เนี่ยที่ว่ามันรักษาไม่ไหวจริ ง, รงๆเนี่ยนะมันขนาดไหนเขาก็อยากพิสูจน์ดีเหมือนกัน แต่จีของเราเนี่ยมันมันไม่แก่เป็นนะมันเหมือนเด็กๆไปเรื่อยๆแต่เรามาดูถึงความจําความประสาทหูประสาทตาเส้นเอ็นมันจะบอกเราว่าแก่ไม่แก่ตัวเวทนาจะบอกเราถ้าอายุมาก ข, ขึ้นเวทนามันจะมากใช่ไหมคือหมายความว่าอนิดหนนะ่ยมันก็เจ็บจะปวดจะเมื่อยจะเพลียจะงงจะงอจะ อ่อนจะเปรี้ยวไป น, นั่นคือบอกถึงลักษณะความแก่ของเราถ้าลักษณะอาการเหล่านี้ไม่มีแสดงว่าเราไม่ได้แก่เลยใช่ไหมทุกเวทนามันบอกถึงความแก่ของร่างกายถ้าเวทนามันน้อยก็หมายความว่าเรายังไม่ได้แก่เลยเยังเป็นเด็กอยู่เพราะการวัดว่าแก่หรือหนุ่มวัดกันที่เวทนาที่เราลองบริหารเวทนาดูว่ามันมันมีผลยงไรต่อร่างกายแต่เราจะไม่สร้าง เวทนามากโดยไม่จำเป็นและในขณะเดียวกันเราก็จะไม่จมแช่อยู่ในสุขเวทนาถ้ามันทำท่าใจสุขเราก็ทำให้มันทุกข์ขึ้นมานิดนึงมันทำท่าจะทุกข์มากเกินไปก็ลดลงมาให้มันสุขมานิดนึงอย่างเงี้ยซึ่งในแต่ละวันเนี่ยอันที่ทายวีการเช็คอิสระดับโบเช็คอันที่ทายว่าจะต้องนั่งอย่างที่จะต้องยืนก่อนยืนก่อนนั่งก่อนเดินก่อนทำอะไรบ พยายามทุบเช็คอีกแกนอีกนดังสิก่อดัมีดเทียนยังไมคิดว่าไคว่ไลด์อีกโน่ายทุวัวกูไมฟูวัวกูไมฟูแอ็กไมฟูทัชดังนั้นจึงเป็นการเรียนรู้ที่ที่คนทั่วไปเขาไม่สอนกันมหาวิทยาลัยไหนเขาเขาไม่สอนกันในเรื่องเหล่านี้นะ แต่ว่ามีแต่ในพุธทธศาสนาเท่านั้นซึ่งเป็นเรื่องวิเศษมากม า, มาถึงอยากจะพูดกําลังนี้กับคนทุกคนว่ามันทําได้เพราะการฝึกตัวเองให้ดีเนี่ยใครก็ชอบใช่ไหมจะให้คนอื่นมาฝึกเราให้ดีไม่มีทางเราต้องฝึกเราเองฝึกให้มันไม่แก่ได้ไหมฝึกให้มันไม่เจ็บได้ไหมฝึกให้มันไม่ตายได้ไหมฝึกให้มันไม่ทุกข์ได้ไหมพุทธิย่าแต่ไม่หมดใช่ไหมทำไงให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเนะี่ย แต่ไม่หมดไดทําไมเราทําไม่ได้เราก็มีท้าสี่ขันธหา้าเหมือนท่านก็มีท้าสี่ขันธหา้าเหมือนเราท่านก็มีกายมีใจเหมือนเราเราก็มีกายมีใจเหมือนท่านมันไม่ได้แตกต่างกันเลยซึ่งตรงนี้อามาว่าเรามามีหวังที่จะช่วยกันพัฒนาเพื่อนมนุษย์ของเราด้วยกันเนี่ยนะนับวันเนี่ยามาจะจะเข้าใกล้ต่อธรรมชาติที่จะความเป็นจริงของความเป็นมนุษย์มากขึ้นสามารถที่จะคอนแทคไดเรกเวมากขึ้นเมื่อก่อนนี้แล้วก็ คือยังอายุพรรษาเรามากขึ้นความเชื่อถือเรามากขึ้นเนี่ยเราก็มีโอกาสสัมผัสกับคนได้ตรงๆคือเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ต้องเกรงอกเกรงใจให้เจ็บอะไรต่างอ้อมไปอ้อมมาใช่ไหมเราไม่กล้าสัมผัสตรงกลัวจะไปเฮือกเขาใช่ไหมแต่เนื้อเมื่อเขามีศรัทธามีความเชื่อมันในตัวเรามากขึ้นหมายความว่าเขาก็เออถ้าเราทําตรงไปตรงมานี่ยเขาก็ถึงแม้ว่าดูมันจะเจ็บแต่มันก็ไม่เจ็บดูมันจะนอ่า ไม่พอใจมันก็เกิดไม่มีอย่างเงี้ยอันนี้คือข้อดีของเราในแง่ควาสัมผัสกับคนเราก็สามารถให้ความจริงของโดยโด ย, โดยตรงได้เมื่อก่อนจะเอาความจริงให้ใครสักคนหนึ่งเรต้องอ้อมไปออกมากลัวจะไปเฮิร์ตเขากลัวเขาจะรับไม่ได้เหมือนกับออยาเายาขมให้ให้เด็กกินนะีะแล้วก็กลัวมันจะไม่กินไม่ได้เราก็หาวิธีฉาบ ต, ตุงนั้นแต่งตรงนี้แต้มตรงนั้นเพื่อไม่ให้มันอ่ไปเฮิร์ตความขมมันไปเฮิร์ตเด็กะแต่พอรู้ว่า เป็นผู้ใหญ่ละเขาเรียกเป็นมาทัวร์มาทัวริตี้ละผู้ฟังก็มีวุฒิภาวะละเราก็สามารถที่จะใส่เรื่องตรงตรงเข้าไปนะดัะนั้นในชีวิตประจำวันก็จึงจะเอามาแชร์กันอย่างเนี้ยอย่างที่ยสมสุภพรเล่ามาเนี่ยก็อย่างเนี้ยเหตุการณ์จริงนะแต่ที่แล้วๆมาก็คือสาวห้าสาวแปดมาหลายปีเนี่ยซ้ำไปซ้ำ ม, มาซ้ำเก่าสมัให่ ซึ่งมันเป็นภาพที่เก่าแก่มากไม่ใช่ภาพที่ถ่ายมาสดๆนะเป็นภาพวาด ท, ที่ค่อนข้างจะเลืองล้างเลื่อนเนื่องเป็นภาพเก่าๆแต่ทีนีถ้ถ่ายแช่กันมาเอาฟิล์มาโชว์กันเลยเดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องไปล้างแล้วใช่ไหมเออถ่ายมาเพราเปิดดูได้เลยเออเออนั่นะนะนะีนะนะนะนะ่ว่าตรงไปตรงมาในะสถานการณ์ปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องการให้เห็นภาพที่สดใหม่ในปัจจุบันนะ ที่แล้ ว, ลวมานี่เรา้องฟังพระอดีตตการเมื่อเราใช่เมื่อสองพันปีม า, 2, มานุน้นท่านว่ายอย่างน้นอ้อมมากเลยไม่กลาแล้วพะก็ขายนิทานไปเรื่อยๆเยมก็ติดนิทานทีนี้พอของจริงให้ไม่รับเลยนะะเพราะมันอ้อมเกินไปนะเพราะฉะนั้นถึงยุคแล้วที่เราจะต้องใช้เด็ดตรงเข้าใจเนาะอาวละก็หมดเวลานะ ก็ขออนุโมทนาสาธุในที่เราได้ดำเนินการปฏิบัติมานนี้อย่างต่อเนื่องนะแล้วก็เข้มขึ้นพรุ่งนี้ก็จะเข้มขึ้นกวบนี้สำหรับคนที่เก่านะอย่างยมสุภพรยมเล็กยมมริสายมพ่ะเยทียมพิมพ์ก็สามารถจะในช่วงเข้าเก็บอารมณ์ส่วนตัวได้ แต่ว่าก็ต้องไปฉันเหมือนเดิมนะช่วงเย็นาอาจจะอ า, อาจจะมาแต่ช่วงเช้าให้เก็บอารมณ์ก็ได้ช่วงเย็นอาจจะไม่ต้องมาช่วงเย็นอาจจะมาพาคุณใหม่ๆนี่ฝึกอยู่ตรงนี้แต่ช่วงเช้าก็มาร่วมกันเพื่อมาสอบอารมณ์อะไรเงี้ยเรื่องั้แต่พรุ่งนี้เป็นตดนไปนะโ <c oughs> ยมมาใหม่ ม, มาปฏิบัติเลย <c oughs> เลยฟ <c oughs> ึ่ง ม, มาจะมาปฏิบัตินะโมทนาสาธุ <c oughs> เรื่องมาช้าดีกว่าไม่มาก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยกันนะตอนนี้กระเพาะพร้อมกันกัน